สามสี่วันที่ผ่านมานะพระที่วัดก็บางตาแม่ชีกับคารวะนะหลายคนนะก็ไม่ได้อยู่ที่วัดนะเพราะทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งโยมก็ไปร่วมงานที่กรุงเทพนะหอจดหมายเหตุพุทธทาอิทธปัญโยและจัดงานเป็นอาจารยบูชา ให้กับหลวงพ่อคำเขียนก็มีสิทธิอนุสินะ์ร่วมจัดงานนะเียกว่าเป็นหัวเร่หัวแรงร่วมกับหอจดหมายเหตุอันนี้จะว่าไปก็ไม่ใช่เพียงแค่ไปร่วมงานอย่างเดียวนะก็ไปช่วยสอนช่วยชักชวนให้กับญาติโยมนะที่มาปฏิบัติ ที่นั่นด้วยมีการปฏิบัติธรรม3าวันและมีการสนทนาธรรมกันอีก1วันอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานส่วนหนึ่งนะของทางวัดซึ่งนอกเหนือจากเป็นการแสดงอาจารยบูชานะกับหลวงพ่อคำเขียนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราซึ่งแม้ท่านจะไม่ได้อยู่แล้วนะ แต่คําสอนและคุณงามความดีของท่านก็ยังคงอยู่นั่นในหัวใจของพวกเราเมื่อถึงวันหรือโอกาสสำคัญที่คล้ายวันเกิดของหลวงพ่อแล้คล้ายวันมรณะภาพนะของท่านเราก็ไปช่วยกันจัดงาน ไม่ใช่เพื่อเราลึกถึงท่านอย่างเดียวนะแต่ว่าเพื่อให้ใช้โอกาสนี้แหละนะมาทำความเพียรปฏิบัติธรรมกันเหมือนกับที่ท่านได้เคยสอนหรือว่าได้เคยชักชวนให้พวกเราทำสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พวกเราส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าและเมื่อมีกิจ นะเราก็ลงไปอาคิดนั่นบางทีก็อยู่ในเมืองในเมืองใหญ่เราก็ก็ไปช่วยกันนะเพื่อชักชวนให้คนได้หันมาใส่ใจกับการทำความเพียรแล้วก็ช่วยชีย้แนะเข้าไปด้วยนะพอเสร็จธุระเสร็จกิแล้วก็กลับมากลับมาใช้ชีวิตนะอยู่ในป่าเหมือนเดิม พอมีกิจถ้าเป็นกิจที่จะต้องเกี่ยวขอ้องกับคนในเมืองเราก็เดินทางเข้าเมืองใหม่เสร็จกิจล้วก็กลับมาก็มาอยู่ป่าใ ช, ช้ชื่อแบบง่ายๆมันเหมือนกับสองโลกนะโลกหนึ่งก็เป็นโลกที่สงบสงัดที่เราได้ฝึ ก, กจิตเพื่อประโยชน์ตนอีกโลกหนึ่งก็เป็น โลกที่มีความเจริญแต่ก็วุ่นวายเร่งรีบแล้วก็บางทีก็ชุลมุนนะอันนั้นเราก็ไปเกี่ยวข้องเหมือนกันนะเพื่อไปทำกิจนะเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นสมัยที่หลวงพ่อขมิมีชีวิตอยู่ท่านก็เดินทางไประมาม า, มาระหว่างสองโลกนี้แหละ อยู่วัดป่าสุขโตนะท่านก็มาบุกเบิกสืบต่อจากหลวงพ่อบุญธรรมบางครั้งท่านก็อยู่วัดป่าสุขโตคนเดียวจำไหมนั้นจะเรียกว่าวัดก็คงไม่ใช่นะเป็นป่านะป่าสุขโตนะก็อยู่คนเดียวก็บ่อยไปแต่เมื่อหลวงพ่อเทียนนะจัดอบรมที่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดอบรมในเมืองเช่นขอนแก่นกรุงเทพหัดใหญ่หลวงพ่อคำเขียนท่านก็เดินทางไปช่วยงานด้วยเสร็จ แ, แล้วก็กลับมาอยู่ป่าอันนี้ก็ต่างจากลูกศิษย์นะส่วนใหญ่ของหลวงพ่อเทียนนะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ท่านก็จะพักอยู่ในวัดใกล้ๆเมืองวัดโมกวัดสนามใน วัดป่าพุทธยานสวนธรรมสากลสมัยก่อนก็มีที่สิงห์บุรีที่ที่แหลมสิงห์ด้วยนะเมืองจันทร์ส่วนใหญ่ก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆเมืองหรืออยู่ในเมืองเลยหลวงพ่อเทียนท่านอยากจะให้พระเนี่ยนะได้สอนญาติโยมได้สะดวกก็เลยไปอยู่ใกล้ๆชาวบ้าน แต่ก็ทำให้เป็นวัดแบบง่ายๆนะอย่างวัดสนามในก็คล้ายวัดป่าในเมืองถ้อาอยู่ใกล้เมืองคนก็เข้าวัดได้สะดวกปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะไ ม, ม่เหมือนสุกโตนยะสุกโตอยู่ไกลอยู่ในป่าหลวงพ่อเทียนก็เคยขอให้หลวงพ่องมเขียนนะไปอยู่ในเมืองนะ วัดโมก็ได้วัดสนามในก็ได้อยู่แบบอยู่แบบต่อเนื่องเลยนะแต่หลวงพ่อคำเขียนท่านก็เลือกที่จะมากลับมาอยู่ป่านะเมื่อเสร็จงานที่มาอยู่ป่านี่ก็เพื่อรักษาป่าด้วยแล้วก็เพื่อทำให้ที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ที่เหมาะเป็นที่สัปเห ะ, ะ่ะสำหรับคนเมืองที่อาจจะ รู้สึกว่าวุ่นนะกับชีวิตในเมืองก็ได้กลับได้ได้มาอยู่อาศัยที่สงบสงัดในการทำความเพียอรอยางนึงก็เพื่อให้มีที่สำหรับชาวบ้านนะเพราะบางทีชาวบ้านเนี่ยชาวชนบทก็ขาดโอกาสนะหลวงพ่อคำเเห็นบ้านเนี่ย คนในเมืองโชคดีนะมีหลวงพ่อเทียนแล้วก็มีครูบาจารย์มากมายหลายท่า น, นยอยู่ใกล้แล้วท่านก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่ดีมากนะที่คนเมืองคนกรุงเทพเนี่ยเข้าวัดนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปให้ทานถวายสังฆทานแต่แต่ว่าปฏิบัติธรรมท่านก็อยากเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นในชนบทบ้าง มีชาวบ้านนํะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะได้โอกาสหรือใช้โอกาสจากาพุทธศาสนานะไม่ใช่แค่มาทำบุญแล้วก็อ้อนวอนหรืออธิษฐานขอให้ได้นนได้นี่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นแค่การปลอบประโลมใจหรือว่าสร้างความหวังแต่ว่า ไอ้ความทุกข์จริงๆที่อยู่ในจิตใจนะไม่รู้จักแก้นะไม่รู้จักหาทางออกนะท่านก็เลยมาอยู่ที่วัดป่าสุขกโตเป็นหลักแต่ควารับผิดชอบนะในสา น, นที่เป็นลูกศิลป์หลวงพ่อเทียนก็มีหลวงพ่อเทีย น, นจัดงานอารมที่ไหนท่านก็พร้อมจะไปะไม่ว่าไกลแค่ไหนเพราะว่าหลวงพ่อเขียนนั้นเคารพหลวงพ่อเทียนมากนะ แล้วก็มีความกตัญญูรู้คุนถะ้พวกเราที่นี่ก็เหมือนกันนะเรามาอยู่ป่านะแต่ว่าก็นอกจากาการช่วยรักษาป่าแล้วเนี่ยงานหลักของเรานะที่จริงเป็นงานเป็นงานหลักงานแรกเลยกนะ็คือการฝึกจิตพัฒนาตนอันนี้เป็นการทำประโยชน์ตน แต่ว่าการทําประโยชน์ท่านนะก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้บางครั้งเราก็สอนญาติโยมนะที่นี่บางครั้งเราก็ไปสอนญาติโยมนะในที่อื่นในเมืองบางครั้งไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวนะไปถึงต่างประเทศนะหลวงพ่อท่านก็เคยพาทำมาแล้วนะแต่ว่า ท่านก็ทำไม่บ่อยทำเป็นครั้งคราวนะไปสอนคนไทยไปสอนคนต่างชาติที่อเมริกาบ้างไต้หวันบ้างสิงคโปร์บ้างนะตอนหลังก็ไปเมืองจีนนะแต่ว่างานหลักนะก็คือนะงานที่เมืองไทยเอาพวกเราเนี่ยนะเมื่อเราจะไปอสอนญาติโยมเนี่ยนะอันนี้มันเป็นสิ่งสาคัญมากนะ เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งและเมื่อไปไหนก็ตามเนี่ยก็ให้มันเป็นการสอนจริงๆการสอนให้ญาติโยมได้รู้จักหนทางแห่งการดับทุกข์ในใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนานี่เป็นศาสนานอย่างแท้จริง ศนะาสนาเนี่ยมันแปลว่าคำสั่งสอนหรือคำสอนนะแต่สำหรับคนทั่วไปศาสนาเนี่ยในความเข้าใจหรือความรู้สึกของเขาเนี่ยมันคือสิ่งปลอบประโลมใจนะเป็นสิ่งที่ช่วยกล่อมใจอย่างเช่นเวลามีความทุกมาเนี่ยก็มาวัด นะมาถวายสังฆทานแล้วก็รู้สึกสบายใจนะจะมีความทุกข์เรื่องครอบครัวมีความทุกข์เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมีความกัดกรุ่มใจเรื่องการสอบการเรียนนะพอมาวัดนะมาทำบุญนะหรือบางคนก็มาสะดอกเคราะห์บางทีก็ขอให้พระมารดน้ำมนต์ ูกสายศินให้ออสบายใจสบายใจเพราะอะรเพราะว่ามีความหวังว่าเดี๋ยวไอ้ความทุกข์เหล่านั้นมันจะผ่านพ้นไปความติดขัดก็จะหายไปสอบก็จะสอบได้นกะิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองเนะี่ยอันนี้มันเป็นการปลอบประโลมใจนะเป็นการให้ความหวัง ซึ่งก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์ศาสนาแต่ตั้งแต่เดิมมามันก็ทำหน้าที่นี้แหละสมัยคนยังอยู่ป่ายังอยู่ถ้ำมีสิงสาราสัตว์ที่ดุร้ายเช่นเสือช้างแล้วก็มีภัยธรรมชาติเช่นไฟป่าน้ำท่วมเขาก็ไม่เรียกพึ่งพาอะไร สมัยนั้นความรู้ก็น้อยมีแต่หอกมีแต่ธนูยังไม่มีเลยนะมีแต่ขวานนะก็สู้สัตว์พวกนี้ไม่ได้ก็ต้องอ า, อาศัยหรือหวังพึ่งพาออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมีการบูชามีการบวงสรวงนะมีการสร้างพระเจ้าขึ้นมา นะหรือว่าเทพเจ้าขึ้นมาเพื่อให้ความหวังหรือเป็นสิ่งปลอบประโลมใจจะว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วยก็ได้ก็ทำให้ความกลัวน้อยลงนะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นศนะ า, าสนาแต่ก่อนก็เกิดมาแบบนี้แหละนะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจให้ความหวังแต่ว่า พุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะพุทธศาสนาเกิดมาทีหลังนะ แ, ลแล้วก็ทำสิ่งที่มันดีกว่าก็คือที่แนะบอกแนวทางในการออกจากทุกข์ทุกข์ในที่นี้คือทุกข์ใจไม่ว่าจะมีความเจ็บป่วยไม่ว่าจะามีปัญหาอะไรก็ตาม เช่นปัญหาในการธรรมาหากินนะมีปัญหาความสัมพันธ์ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวการสร้างทุกข์อย่างแท้จริงไอ้ตัวการที่ก่อทุกข์มันอยู่ข้างในใจมันเป็นเพราะความหลงเ ป, เป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเพราะความไม่รู้ตัวไม่รู้ที่มีสองอย่างนะไม่รู้ตัวกับไม่รู้ความจริงอันนี้เรียกว่าหลง นันทางแก้ทุกเนี่ยมันต้องแก้ที่ใจนะซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะอันนี้ก็ก็คือการไม่เบียดเบีย น, ยนไม่ไปก่อความดดร้อนแก่ผู้อื่นก็คือมีศีล น, นะมีศีลเสร็จก็ต้อง อ, อันนี้อช่วยป้องกันทุกได้ระดับหนึ่งแต่ว่าทุกมันก็ยังมีนะคนที่มีศีลพร้อม ไม่ว่าศีล5หรือศีล2อ7เนี่ยก็ยังมีความทุกข์มีเหตุร้ายเกิดขึ้นถูกคนต่อว่าด่าทอสูญเสียคนรักนั้นพัดพรากจากของรักของพอใจเส็จ แ, แล้วถ้าวางจิตวางใจไม่ถูกนะมันก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ที่ใจในตรงนี้แหละนะที่การออกจากทุกข์เป็นสิ่งจำเป็นนะ ไม่ใช่แค่หวังว่าวันหน้ามันจะหายไปนะความเจ็บป่วยจะหายไปไม่ใช่หวังว่าเออธุรกิจมันจะเจริญรุ่งเรืองการเรียนจะประสบความสำเร็จนะจบปริญญาโทจบปริญญาเอกไดนะ้ไม่ต้องรอความหวังแบบนั้นมันแก้ทุกเดี๋ยวนี้เลยนะคือแก้ทุกที่ใจนะด้วยการมีสติมีความรู้สึกตัวมีปัญญานะ สติและปัญญาเนี่ยมันเป็นเครื่องพาออกจากทุกข์ได้อันนี้แหละคือหน้าที่ของศาสนาโดยพระพุทธศาสนา เ, นเป็นหน้าที่อย่างแท้จริงซึ่งพวกเราเนี่ยก็ควรจะเข้าใจพุทธศาสนาในความหมายนี้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาในะในการที่จะฝึกจิตฝึกใจนะรวมทั้งปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา นะเพื่อจะได้ออกจากทุกข์อย่างแท้จริงนะด้วยการรู้ทุกข์เข้าใจทุกข์นะอันนี้พุทธเจ้าก็สอนเอาไว้นะว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกาหนดรู้ส่วนสิ่งที่ต้องละเนี่ยคือเหตุแห่งทุกขนะ์เมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่หนีเราไม่กลัวนะแต่ว่าเรารู้จักพิจารณาใคร้ครวญจนเห็นเหตุแห่งทุกข์อันนี้ต้องใช้ปัญญา แต่สติก็สำคัญนะเวลามันมีอารมณ์ใดที่มาทำให้ทุกข์ใจเนี่ยเช่นโกรธเกลียดเศร้าวิตกกังวลก็ให้รู้ทันนะให้รู้ว่าเนี่ยออมันเกิดขึ้นในใจนะ น, น, นั่นที่หลวงพ่อเขียนนั่นใช้คำว่าเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นมันนะอย่าเข้าไปเป็นมันนะพ่อไม่เห็นนะจึงเข้าไปเป็น แทนที่จะมีแต่ความกลัวก็กลายเป็นผู้โกรธแทนที่จะมีแต่ความเศร้ากลายเป็นผู้เศร้าแทนที่จะมีแต่ความวิตกกังวลก็กลายเป็นผู้วิตกกังวลอันนี้เราเข้าไปเป็นแล้วไม่เห็นพอเห็นเท่านั้นแหละนะมันก็ละลายหายไปนะอันนี้ก็เป็นการแก้ทุกข์ในระดับหนึ่งก็นะคือว่ามันจะเข้ามาบีบคั้นเผาลนจิตใจไม่ได้นะเพราะเรารู้ทันมัน แต่เผลอเมื่มอไหร่มันก็มาอีกนะเพราะว่ามันยังมีตัวหลงพื้นฐานอยู่นะก็คืออวิชชาซึ่งทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นพออะไรที่มันไม่เป็นไปอย่างที่ยึดมั่นถือมั่นนะมันก็ทุกข์นะหรือถึงแม้ว่ามันเป็นไปอย่างที่ยึดมั่นเอาไว้แต่ว่ามันไม่ถึงอกถึงใจนะก็ทุกข์เหมือนกันเช่นอยากได้แล้วก็ได้ด้วย แต่ว่าได้น้อยไปก็เป็นทุกข์นะอยากรวยแต่มันรวยน้อยกว่าคนอื่นก็เป็นทุกข์อยากดังอยากมีชื่อเสียงแต่ว่าถ้ามันดังดังน้อยกว่าคนอื่นก็เป็นทุกข์นะนี่เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์หรือได้แล้วแต่ได้ไม่ไม่ถึงใจนะมันก็เป็นทุกขนะ์อันนี้แหละคือนะ ตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์นั่นจะไปแก้ทุกข์เนี่ยนะโดยการบนบานสารกล่าวหรือว่าไปสะดอกเคราะห์เนี่ยนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่วิธีทางนะของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะพุทธศาสนาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเครื่องปลอบประโลมใจให้ความหวัง เช่นทำบุญแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีอายุวันณ่สุขภละนะแต่พุทธศาสนาจะมีอีกด้านนี่คือชี้ทางออกจากทุกนะไม่ใช่แค่รอหรือหวังว่ามันจะหายไปในวันหน้าแต่แก้ทุกเดี๋ยวนี้เลยเนะแก่ทุกที่ใจยังป่วยอยู่แต่ใจไม่ทุกนะหรือว่างานยังมีปัญหาแต่ว่าใจไม่ทุกน ยังมีคนต่อว่าด่าทออยู่นะแต่ว่าใจเป็นปกติเนี่ยอันนี้ต่างหากนะคือหน้าที่ของาศาสนาแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระนะหน้าที่ของพระไม่ใช่แค่ให้ความหวังหรือปลอบประโลมใจผู้คนนะโยมมีความเครียดมีความวิตกกังวลก็เดี๋ยวก็ลดน้ำมนต์ให้นะผูกข้อมือให้นะ ด้วยความหวังว่าหรือให้ความหวังว่าเออเดี๋ยวมันจะดีเองเดี๋ยวมันก็หายนะหรือมาช่วยสะดอกเคราะห์นะอันนั้นก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันมันยังไม่ใช่หน้าที่ของพระอย่างแท้จริงหน้าที่ของพระไม่ใช่ให้ความหวังหรือกล่อมใจแต่ว่าชี้ทางออกจากทุกขนะ์แค่ชี้นะ แต่ว่าคนออกจากทุกข์จริงๆก็คือเจ้าตัวชี้เท่าไหรนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัตินะมันก็ไม่เกิดผลนะ้วเคยมีคนถามพุทธเจ้าว่าเนี่ยนะพุทธเจ้าก็สอนคนมามากมายทำไมบางคนก็ยังไม่พ้นทุกข์สักทนะีก็เหมือนกับว่าจะกล่าวโทษว่าเป็นความผิดพลาดของพุทธเจ้านะที่คนไม่พ้นทุกข์ พุเจาก็เลยตพระองค์เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางนะพระองค์เปรียบกับมกวเนี่ยมันมีทางเดินไปสู่จุดหมายพระองค์ชี้แล้วแต่คนไม่ไปหรือว่าไปแล้วก็หลงกลางทางเนี่ยจะโทษผู้ชี้ทางไม่ได้เพราะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางพระเราเนี่ยนะก็เหมือนกันนะทำได้อย่างมากก็เป็นผู้ชี้ทาง จะชี้ทางได้เนี่ยก็ต้องเคยผ่านทางนี้มาก่อนหรือถ้าสามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้มาแล้วอันนี้ก็ยิ่งมั่นใจว่าเออชี้ทางถูกแน่คนที่เคยมาถึงวัดป่าสุกโตแล้วเนี่ยนะ <S <S เขาก็สามารถจะชี้ทางบอกทางได้ถูกต้องนะสามารถจะบอกได้ว่าตรงไหนจะเป็นอ่า ทางที่หลงง่ายนะหรือว่ามันมีทางแยกตรงไหนควรเลี้ยวซ้ายตรงไหนควรเลี้ยวขวาตรงไหนตรงไปอ่ะก็บอกได้นะถ้าเคยถึงจุดหมายปลายทางมาแล้วก็ยิ่งดีหรือแต่ถ้ายังไม่ถึงนะยังยังเป็นแค่ผู้เดินทางแต่ก็เคยผ่านทางมาแล้วส่วนหนึ่งอ่ะก็ชีแช้แนะชี้แนะคนที่ยังไม่เคยผ่านทางนั้น อาจจะไม่รู้หมดนะแต่ว่าก็สอนเท่าที่รู้บอกเท่าที่รู้นะอย่างที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านชอบใช้ว่าพี่รู้2น้องรู้1 น, นะพี่ก็ยังไม่รู้ถึง10บหรอกแต่ว่าถ้ายังรู้ถ้ารู้สองเนี่ยก็สอนน้องที่รู้1ได้นะพวกเราก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะแต่ว่า ในระหว่างเส้นทางเนี่ยเราก็ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัตินะเราก็ชี้นนะ่คนที่ยังไม่เคยเลยนะอันนี้มันดีกว่าการไปให้ความหวังคนกล่อมคนนะพระหลายลูกก็บอกโยมให้ความหวังก็โยมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรวยวันทีก็พูดในสิ่งที่โยมอยากได้ยินรวยรวยรวยนะแต่ไม่ได้บอกความจริงว่าไอ้รวยนี่ก็ไม่ทําให้หายทุกนะคนที่รวยแล้วก็ยังทุก มีเยอะนะนะหรือว่าไอความรวยมันก็ไม่เที่ยงนะวันนี้รวยพวกนี้จะจนก็ได้เนี่ยนะต้องบอกความจริงแบบนี้ด้วยนะแต่โยมไม่อยากฟังมันก็เลยหลงต่อไปแต่ถ้าเราบอกความจริงนะว่ารวยมันก็ไม่เที่ยงนะและรวยก็ยังไม่ใช่ทำให้ออกจากทุกข์ได้นะเราก็ชี้หน้าตอไปว่าเราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเราก็ต้องมา ฝึกให้จิตมันสว่างไม่ใช่แค่สงบชั่วข้า้งชั่วคาแต่สว่างสว่างเพราะมีปัญญาและมีปัญญาเนีเพราะมีสตินะเป็นอ่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนอันนี้แหละคือหน้าที่ของพระที่แท้จริงหรือหน้าที่ที่แท้จริงของพระแล้วก็เป็นบอเป็นบท บ, ร บ, บราทสําคัญนะเป็นงานสําคัญของพุทธศาสนาด้วยซึ่งหลวงพ่อเขียนท่านก็ได้ทําเป็นแบบอย่างวางแนวทางเอาไว้นะ เราก็ดำเนินตามท่านนะพร้อมๆกับการเดินตามรอยของพระพุทธองค์นะซึ่งพระองค์ไดนะ้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้อย่างดีอย่างชัดเจนอย่างประเสริฐที่สุดอาละนะานที่กับภูกันทํานนี้นะ